นายเป็นหน่ยเชื้อโรคชาั่ปร่งที่อเมริกาและตัวตัวอยู่ในไทยเขาโปร่งทีเริกาก็ปฏิบันกก็เป็นทีวีกาเป็นสัมมุสุดท้ายที่จะได้กันนั่งดู่ีไหมเดี๋ยวมาดูค อย่างที่บอกไ้เดี๋ยววันจันทร์นั่งรถตัวที่อิโนโดนประมาณ20คนไปดูตัวกันตัวนี้คนตาไม่สมบูรณ์อยไรกั น, น, น, น, นจันเทใมแต่เราสรุป คุยไงพยายามออกหาใจเลกเซลล์หาลูกค้าเขาจะได้รับทับตลาดซับตลาดบริการนเมื่อไ้มาร้านที่เปิดนี่เราก็แค่หาถึงบ้านอไรเลยดเี่ยต้องการสมาชิกห้ยแผ่ว่าหวยแผ่สมาชิกเพิ่มขึ้นปรากฏว่บที่อยากกดมากเลย นาบอกม่อุบมากมากเมียไทยออกในกติกาทั้งสองคนก็ป่วยคะนั้นไทยก็ว่าใทยมาสองร้อยเหรียญแค่เดียวไปนั่นสองร้0ยเหรียญได้ลักเท่าไหร่สามสิบห้าคูณด้วยจำนวนเงินจำนวนสามไม่ได้หรอกเอาเป็นๆเป็นทังด่วนแต่ที่เป็นข้าวๆนะแค่เดียว พิจารณาเลยแล้ ว, เ, ว, ลวเราไม่สมควรรับทักทีนากาพิจารณาตัวเองไปหาเขาที่บ้านไม่สมควรรับทักทีนาตาทำไมไม่สมควรโหสองคนป่วยนะป่วยกินในรอมนาในตาที่กินกันบขับนานจะต่อ บ, บ้านหน้าบ้านมันปูกไม้ เป็นไม้สม่งแล้วก็ออกแบบมันยืดออกไปเขาเรียกว่าจันทพันหกไก่อยตรงี้มันยืออกไปแล้วมันเจอแล้วะเมืองไทยไม่มีกขาตัดทิ้งมันไม่ยืดให้อยู่ในชายคา่ว่าของวิริยะวิกรากรออกแบบเขาสวยเนี่น้ำผกแค่เขาออกว่ า, 7, า 7, เจนะ็ดเจ็ดพันบาทเจ็ดพันเหรียญเนี่ยคูณเไยได้เท่าไหร่ 7, เจ็ดพันเหรียญโอ้โหแล้โหเย ตัวน้วเตอบเธอมาสี่ตัวรา้วิชาการเรียนสัตน ต, ต้น2 5 0ชั้นไหนที่หนึ่งตัน 2,050 เรียนน่ะโอ้โหชาย ง, งานที่มีแยบมากเราไปเห็นใจนลูกพยานแล้วก็สองคนก็ป่วยไม่ไปสบายเนีย่ยไว้ให้ลูกเ้ย ยี่ไม่ใส่หรือเป็นลูกชายล้ะรลูกชายกลับจากโรงเรียนประมาณสามโมงตองเขาเปเ็กสองสองเนีลังพูดอะไรแปลกๆคนนี้ลูกครึ่งนี้อว่าใครห่วยหรือไอสีน้ำพ่อไทยนี่การหวยแนาไปพี่ต้อง สนทน า, ทาคำสําคำละไอ้เขก็แข็งๆอยู่ทาตลาดทางปาระยาไปน้าทานข้าวทางไปคุยไปสอนัดได้ไหมนั่นทานข้าวแล้ ว, วันนั้นน้พริกเดเกผัดไปจากวัดนี่แหลคือเข้ามาถวายแล้วที่ต้องออกข้าวาวาไปตอนเทนจะไม่ไหวปาหกปลไปถึงบ้านชั้นเพลประดีเสียค่น เจ็ดบ่าจะไปนั่งฉันคนเดียวก็ได้ไเข้ากันพิประตูิกรปิดประตูในอย่างหนึงเลยวันนั้นปรากฏว่็หลังก็ไม่ได้เจรสติเากินไปคุยไปยังไงอ่ะฝรั่งอายุประมาณเกือบเจ็ดสิบไปสาหารถไหมไอ้เรากลัวที่จะไ่นั่งรูปหลือฝรั่งก็ได้หพัะอ่ะ แทนที่จะฉันเพริ่มนงรูปหลังก็หลังเดี๋ยวไมจะเข้าระบายซึ่งแบบสำลักเดี๋ยวท้ายจะผิดเนาะอาหารแม่ก็กินใด้สำักเข้ารงบากดหายมาแรงนะเด็กๆต่าไปนั่งรูปหลังเลก็หลังเมียไทยๆก็ปล่อยปล่อยตายเล้วู้หญไม่รวยอกนะแต่ก mm ็ห hmm. ล like ังคนไทยใจไม่ร yeah, yeah. mm ูปหลัง เาก็รู้สนะึดีแน่นอนพูดอย่างเง้กินข้าวไม้มีสติจะไม่ว่าเลยนะแต่เราก็ทําก็พิกพไปเองแล้วก็หลังไปกลยมเป็นเนผะ็ดแล้วก็ว่ามีมารยาทด้วยนะอร่อยไม่อร่อยก็กินไม่ก่อนเป็นน่าหนักแข็ง ม, มาบ้านแล้นะเรากเลยเออเป็นค น, นหลังที่มีมารยาทในคุณธรรมนั่นแหละคุณธรรมจริธรรมศีลธรรมต่างๆมันมีอยู่ในรัวคนที่มีวินัย และเทพันคือพลังวัฏสภาลัตต์ไม่มีใช้กระพูดไปได้แต่ความรู้สึกตัวไม่ใช้กระพูดไปได้ภาษาบางคำไม่ใช้กระพูดไปได้มันไม่ถึงใจความรักในวิทยาพูดในรักน่ารัก น, น่าไมถึงใจตบแสดงออกไปเลยถูกรวบคำอะไรก็ว่าแล้วไปมันแสดงความรักเช็คแทน กอทุกท่านแล้วแต่วิธีการตต่างๆของนแต่ละประเทศแต่และศาสนาไม่เหมือนกันจะแสดงควา ม, มาเกียดและให้เกียนไปเดืยตอนนั้นเดนี๋ยวแต่นะย่าท่านคุณท่านีความรู้สึกด้กรารพูดโดยกาแต่รู้สึกแต่รู้สึกไปเลยนั่นก็เลยเป็นช่วงที่ทาปฏิบัติ ทั้งพิพาละค่ะเมื่อกี้มีเพื่อนของเราคุณนายสุพินใช่ไหมปริญาทุกทีกลุ่มส่งที่บอกเรียอาจารย์ไปจะไปรับที่นั่นสุเทพที่วันๆๆที่ปุ้ยจะไรับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ต้องมีต้องกับมาจากญี่ปุ่นาราลงรถมาจะเข้าบ้านยันบุษัง เข้ามาหาพวกเราเลยเือพยายามมาบอกยกมือตอบขอตัวหามม่หาก่ อ, อกรเ่าไหละใกที่เราอ่านก็จะดูการปฏิบัติดูการการะทำแบบ ไปดูคนไกล้ทายไปดูอะไรเยอะตรงไห่ะแเคไปจับขาเวลาปเยี่ยมคนไปเยี่ยมอะไรกไปดูนะมนไม้เราสะอาดดีดูอาการเขาก็ไม่ถขั้นกรเกลียดเรามากนะเข้าไอก็ไปดูสัมผัสเนื้อสัผัตัวปีกมนวดเท้าให้จะรู้สึกดีกว่าเดีว่าเป็นยืนเท่นั่งเท่ดีกว่สัมผัสรู้สึกตัวแล้วใช้ได้ แต่รมอมันมีสติคนมีสติจะรู้สึกตัวคนขสติคือเรื่องตัวไม่เห็นเลยันังนั่งโดยสิ้นนอนนอนสวิตซ์ตายหายใจอย่เ่นเราเราลังเคลื่อนแตเราเห็นเรากลังเคลื่อนอยู่เจรนาเคลื่อนแล้วกเห็นจิตนั่งจิตที่จิตนุ่นทานข้าวไปรู้สึกตัวเช่นเมื่อกี้ั่านหลังกระห่เรื่อยชื่อพรมันก็สำลักกันเลย ถ้ามีสติรู้สึกตัวเรียกว่าฉ่ำไรับรับทานเออรู้สึกตัวเรี่ยตรงตรงน้ารู้สึกตัวเรียกว่าสดน้ำนอนรู้สึกตัวก็จะจำวันเจอมีสังเรียกตุก็คือมีสติในการกระทําน่ะมีสติรู้ลมหายใจก็นาปานะสติใช่ไหมล่ะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เรารู้การเกิดการหน่อยวนี่ยสัมผัญญากสัมผัสสองปัญ ญ, ญาสับญญญพัสก็คือเราสติเวลาเรรู้ความรู้สึกสญญญตัวแล้วสัมผัากมาอ่านอะไรเนี่ยเนี่ยานอะรบ้างที่เป็นธรรมชาติของกายแะโดยเฉพาจิตหาดูรุ่ยยาจิตอาสติสัมปัญ ญ, ญาเนี่ยไปคิดเอาแล้วไม่เห็นได้บอกลอมเลย กปรสบารณยกรสบารณอประารณของอิฐใครดึจับลมหายใจะบาใบเอามือกระทบแต่แรงเด็กมันมีอยู่ในหัวที่เราจำแยกกับภาคเนี่ยทงานทั้งวันตอนนาทีทั้งวันหรือตามเวล์เราพัดแอ่าว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวใกล้ตายเลี่ยมันจะได้เียกวีใช้คือคนที่ปฏิบัติมันมาเองแน่นอน เรสตที่ม <smok> ันเป็นอารมณ์พักเกิดแบบเกมาเกิดู้รู้ความรู้สึกตัวมันทำเจะนยำนาเปนอารมั์พักเรามีภัยปั๊บมาแทนสิมีทุกข์ปั๊บัเกิดทสิที่เือสติสับสนยัเห็นาการซๆๆๆๆจะได้ข้อสรุปเรื่องปัญญาอะไรเรื่องสติปัญญาปัญญาไปปัญญาใหมันตื่นรู้ตื่นรู้ รู้อะไรก็ตื okay, like, saying, ่รู้ในทุกนั่น่เป็นทุกกเป็นทุกตายเป็นทุกนึกตื่นที่ะีสุดท้ายเราอัเป็ี่ยนภูมิคิดไม่พูดใจของเราคือตัวสติตัวความรู้สึกตัวนี้เลยบอกทวีเกียติคนป่วยไปสัมผัสเพืนหน่อยรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหไปลองผัดมือลาไปสัมผัสไปสัมผัสส่วนที่ต่ที่สุดคคนรักเกีเท้าอะเคยรู้สึกโอ้ยดีน ถ้าเรา เ, เราสังเกตล้วถ้าเราไปกคนเรียกค น, นแรงมีหมอมีพยาบาลมีคนที่เรารู้ใจมาจักให้จับตัเรักกบกายช่วยมาตื่นขึ้นถาเราปิดนวยตอนนี้จะไม่เกงเวลาแบบนั้นเราเกลืออรู้สึกตัวปุดขักสติท่าไหร้เรนเื้อรู้ให้สำนาญกลับมาหาก า, ายทะเลเยียากายยาตัวยาที่ตากั ก, การของกายกระทกอยู่กายกายทำใจทำเลื่อนกายอยู่ยแพ่ใจาอยู่เลื่อนั่นแหละเป็นปัจจุบันยังไปโยความคิดเลยยังคิ่ถ้าคนใกล้ตายหมอที่พู้สึงนะหมอใจังหมอใจาก่แ่หขอทีอ่ที่แล้วพู้สึกที่แล้วรู้สึกถ้าใกล้ตายรู้สึกตัวอยู่ไหนะใครเน เวทนาไม่แหงแล้วถ้าเป็นตะเร็งเนี่ยปวดหนักเลยเลยอัดปอดปีนุกี่หลอกียวกี่เทมกี่เท็ดมเแล้วสลัดกระปูดไปอย่างเวทนาแ้่ท่านแยกไม่ได้าว่าเวทนาแหงนะปวดควยเลยอยู่ไม่ได้เลยัวตายไปัวดไปัวปวดไม่ปวดไม่วไม่ัวดสุดท้ายปวดที่ดีพเรามาพไม่เคเดด้อนเย ไ่ on, du du Guys, ้าใจอย่างเวลาเราตรวจสงเจอการปวดใส่ใจที right. ่ทรมารนี้เวลาถึงเวลาท้ายสุดด้วว่าอีกรีงซ้อมๆหน่อยในาการปูดเลย่เรื่องนะ้เรื่องติงจังมากใครกันเป็นของเล่นเหมือนท่าแกกครัสมน้ำหน้าปุดอย่างนี้เลยนะไม่รู้ว่ามีผู้สัตว์นานจาได้แค่เราทำซึ่งกันได้แค่ราต่าประเทศสม่ ไม่ได้เาจะไม่พาว่าแท้แท้แก่แท้กันงั้นนาพูนานนะ่ป็นผมชืดหนุนนะตาไแม่ยายไปหรือกนี่สักชวนคนนั้นคน น, น, นนี้ก็าลนไปเออดีแล้วใครใกล้ตัวก็กวาลากไว้ก่อนนะเจ็าบ้านลากไว้ก่อนดีนะนใครจะเชื่อเรือเ่องแบบนี้ของเียหรอว่าไง ถ้าเขาปฏิบัติเองเขารู้เท่ารู้ทางขอเขาเองเขาเห็นเขาเองนะมือนั้นเขาเชื่อใช่ไหมหลตอนนี้แม่นั่งไหวเลยแม่ยายนั่งนั่งไหนายเออพ่อจะนายหดูเออมวลนาย รอที่อารูกตาไปส่งบานแล้วเป็เนไงมันไปกลับมาวันนี้ขเขาแคบไปกลับมาไม่ไยไยไปจา้าหรืออาเชียน นึกถึงเื่อตอนสมัยอยู่ตอนเย็นโยไปแลประมาณ3 0สิปีที่ผ่านมาก็อาศัวันอทิตย์เป็นวามทำมัดสวรนค์สถานนี้ชุบกระจายเสียงในประเทศไทยก็จะร้อนความอาจารย์พุทธทาสก็เลยยังจำได้ว่าก่อนที่ท่านจะน้างภาพในทวีท้ายที่ฝั่งของกรมประชาสัมพันธ์ท่านพูดเลือกน้ามายตา อาตาตามันไม่เหลือเก็ดทั้งตรวมันจะเราอะไรเราไม่ไดเกล็ดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมมันจะครอบํำเราไม่จเป็นปัจจัยอะไรกันนะเกิเ ป, ปกเป็นอิสระล น, นอาตมเยตาขอหน้ามนไม่มรอะไร์ดิ การเม่ราได้ประโยชน์ตอนนั้นอายุยังไม่เยอะเลยมันฝันอะไรก็ไม่รู้สึกว่ามื่อิย์เป็นวันหุดที่เราจะได้พักกายได้พักใจไม่ได้พักก็ต้องอาศัยนี่ัยบานถามบ้าคู้รู้พ่อปัญญาไม่ได้ฟังแล้วเราฟัอาจาย์พึ้งแทย์อาจรรู้สึกว่าจิตท่านตื่นเราฟังฟังรู้เรื่องบางรู้เรื่องบานตื่น ไ่ร sí, ู้ความไหมกับ huh. วังใส่เลยความ้ัๆอ้ันไม่รู้เรื่องก็ตื่นเตือนแทนกันังไม่รู้เรื S ่องก็ระโง่ๆรอนอนี้ไต่ตมันไี่ตื่น่ไม่รู้เรื่องติ่ก็ตื่นวก็ค้นืออะไรเลอยากสัยอยู่เี่ความรู้สึกตัวใหม่ๆไปรู้เรื่องเนี่ยไปฟังหลวงพ่อเขียน้งง่ายๆนะ พอปฏิบัติอะไรอะไรอันไหนเท่ามันสติอันไหนเท่าความรู้สึกมันคืออะไรนท่าพอตอนหลังไม่เขารู้เฉยเฉยอะเฉยนะพอไปปฏิบัติน้อยตรงนี้คือเฉยฉเวลามีอารมณ์ด้วยแเช่นเกิดความคิดและโกเงี้ยความคิดไม่ทันรโกรธก็ไม่ทันสติน้อยไง กลับมารู้สึกตัวก็ยังเรียกว่ายังไม่ชนะแต่พอมาเริ่มจับประเด็นได้แล้วมาเริ่มนในการียะปกติกันงๆมาเริ่มสัมผัสนอกอันี้เป็นอารมณ์ที่มันไม่โกรธไมตันเลยมาเกิดการสัมผัสเทียบเนเรียกว่าความแตกต่างจิตปกติและจิตที่นั่นไม่ปกติถูกไหมแล้วสังเกตได้แล้วก็อรู้สึกตัวมันมีปกติเออ พอคิดมันผกติทำมเริ่มแย่แย่แต่ความคิดมันใผติดเราหลุอยู่กับความคิดแล้วไม่ได้มาอยู่กับความรู้สึกที่ตัวกายมันก็เริ่มเดอเลยหามจะเป็น้ปุ๊บอกปุ๊บตอกปุ๊บตอกขึ้นาเลยเเ นไหนพวกเราเดี๋ยวยาวใหออกมาแล้วเขาให้พูดพูด ระวงน วันนี้มีคนมาใหม่มาคนเดิมสองคนเลยอเอเลองพ้องคีบ์เวเราดที่ที่เาปฏิบัติกับคี่์วดด้วยเลย พอได้ได้โอ้หนี่ลูกเพื่อนใจฮัลโหลลูกเึ้น เราไม่ได้แนละ้วตอบเลยใจเรา อ, อยู่ตั ว, ตวน้องปวด ใ, ใจอยู่ตั ว, ตวที่โยงเย้โยงเยเ่เนี่ยเพราะปกติเราโยงเกยกนทะั้งวันเ่าโยงเย่ที่คัาสตึอันนี้เวลาจะระยำความเห้รู้ตั ว, ต ว, ต ว, ตวก่อนตระกูลให้คนใจลอยเ้วทากานลงแรงลูกจ้างทากทานลงแรงเครื่องความเราั้มปึ้น ป, ปื้งปื้นกจาลอยแย่าง้กยวขาเลยเนี่ย ตอต้เฮ้ยกันเฮ้ยเอากัานไอ้ทางใช่หอรคำรู้เรื่องเกี่ยวกับไทัก็มี่ยกตัวอย่างนิดหน่อมีเยอะมากเเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้เขาฟังเมื่อไม่กี่วันที่บาดม า, ดาในใ้ที่ใจมีสีหงายหน้นาแรกเลยหน้าแรกเลหน้าแรกถูก ไดเรียน่มเรีย น, นประหลัดเรียกปหลัดที่คนแรกเรานั้นจะไได้ไปที่พิเรนและวราแเราไม่ได้ไปตรง ว, วันออกภาษาที่นี่ครงนี้ก็ไป เ, เร็วๆนั่คงเห็นเยาะฉั น, นั้นเนี่ยเขามีข้าวนั้นที่กิดแล้วโอโหเห็จักเลยตอนเช้าเราเลยผ่านเป็นาหน้าผนเรียนในการเดินทางไปแวะจัก ข, ข้าวเรียนี่ห จะได้ไปดูแล้วกันต้จเป็นผีเลยกรณี ป, ประหลัดเราหออไปสามหอแล้วเลยให้ปรหลัดหนึ่หอเราบอกแล้วว่าไม่ซองมาเตรียมการรับเราเสร็จแล้วรเราเตรียมสตเรอยสี่ห่ให้เขาี่ห่อแล้วเอาเสี่หอให้เขาประหลัดก็นั่งพารเราด้ยาเป็นคนที่มีมารยาดีมากเลย แต่ที่งันหรือว่ามีใจพอป้ามาแข่งมาเราก็คุยรืออยป้าบอกว า, าลิ้นหลอดลงกับ ล, ลิ้นกับคอเอลิ้นเข้ามากับคอครับเอลิ้กับคอเอ้ห ล, ลอดลง่อไหร่ก็ขึ้นบนเลยนะใสัตว์เราก็เลยเนเกินแบบข้าวสุนทีเราก็บอกว่า้าเป็นสาไทยเพราะว่าพวกเมัคุยในสน้ำไทเราเนี่ย เราจคุยโตคะไปโชคจะมาแล้วอยากจะเห็นความผิดของเราที่ออกเข้าพวกก็ผิดแค่กินนั้นแหะเข้าโรยแทนใช่เราก็เลยลุกไปลุกหลังกพื่รวมเดือแทนคือโคดองคือลุกหลังให้กินเข้ามาที่หลังเข้ามาพุกอย่หลังเพื่อเคือเพล้พวกก็เอากินประโยชน์หลังรู้สึกปรากฏมาเรืมภาพเดียวคือสูขระ เราแะนวิีรักษาแฟนต้องมีความรู้สึกุูกมีสเตรชนทพี่เดียร์ล ป, ปู่ไปมาอยู่กเดอรุ ป, ปู่ก็ไเ่ถกพี่เนียการหลวงข้อมาอะไรเปลี่ยนก้าววิญยาณให้โดนตัวสูงสุดท ง, งนนหน้านรู้สั่งมาแล้วม่อยู่ไล้วคราวนี้พีเปลี่ยนก้าเป็นเป็นลูกศิษย์พี่กับ น, น้อง อาจารย์คนเดียวกันคือหลวงพ่อกเขียนสวดจบหวงพ่เขียกับไปใช้คำวา a w a r e n e คือนวแต่คุณหมอคงสั่งจบบางทีภาษาคือใช้เนีเหมือนคุณหมอใช้คำว่า s e n e l n e s s f e s s s a n ที่าังหมอนี้หมอเป็นศาสตาจารย์ศาสราจารย์วันนี้ท้าเนี รู้จากใครบ้างรู้จักใครบ้างเคนหมอก็จะคนไทยเหละนี่คือเจ้าใอะไรนะเจาใครนเาพ่อเยนเนหมอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปงานศหมอให้ก่อนนะงานเนี่ยอที่เราฝึกว่าเกี่ยวข้องกันใช้ชีวิตการแก่การเจ็บการตายและการที่เราจะเจออารมณ์เราต้องพอใจไม่พอใจมันจะได้รักใจเรา้ปกติครับ เพโรคที่ม <gardens. S 1> ีสียดีมากระทบอาจารยเปิดความปลอยใจไม่ป่อยใจวตร่งๆฟูๆแฝงๆพอเขาชื่นชมเขาใส่ฟูพอเขาพูดให้เราบูลลี่เราเนี้ยก่จะเิว่ยวบอกแม่ว่านี้เราปูดใจก่อนมันเป็นการพานปกติครับเมื่อไหรมาใจแล้วเรกว่าเฉย แล้เดี๋ยวจะจไงก็ว่าในเจะยแบบอนแอนะาพอจะ้าใจนว่นันให้ใจงนปกติะ้ปติภาษาไทยกติภาอังกฤษเนี่ยใไใช่ห เราเรีนะเป็นข <significa> no, ้อสอบเลยกฝึก oh ับี่ถนนกันขับแล้วพอมีเพื่อพูดใจเลกสงสัยอะไรกเล็กเคื่อพูดแหะเอาเล็กซ์เอร็กเลวาเกราฝึกสติเปเื่อพูดใจของเราคือก็มีสติเป็นเพื่องพูดใจเรา ไปไหนเราอบรัวน si ี ale, ่ไมันไม่ต้องเสียบพักเ็ต้องแคเล้วเราอยู่ก็ใครเราอยู่ไหนเลยดีลด็ฟังไว้ก่อนนะอย่าเมื <the> ่อนะในราแา่ฝึก <the> ล <pit> ูกเป็เคลื่อนเวอริี่แได้ละตรนี้นี่ไปสองคนออกไปเอบัวกันไปรับน้องใหม่เลยพี่นี่เขาเอาเรียนส่วน้่างน เออยู่ท yeah. ี่นี so, oh, ina, oui, ่ผมหนีาไได้ก็ถึงคนพาไดแนะนำตนต้เนียะปล่ยนตัดคนนี้ก็บอกเองนะบอก่างี้ ทีนี้ก็ทางไทยก็เหลือเวลาประมาณี่สิบนาทีนะเพราะเราเริ่มต่อที่นี่หนึ่งชั่วโมงพอเรครบชั่วโมงนะแล้วที่นี่ก็อสองชั่วโมงขาูค่าต่ออีกหนึ่งชั่วโมงใครี่อยู่ต่อได้ใครจะไปกันนะและ้วจอยที่วันนี้มีประชุมี่วอ ม, มนะมีประชุมตอนกที่นี่กันทีหนึ่ง เท่ากี่ค่ะเท่กันเท่ากัเดือนส <form>. ี่ห้าเดืนแ้ก็หกมย็นโมงเยนี่เอ่อรีแม่ไปปฏิบัติที่สุโขทัยตาหากเไงบ้างแม่เล่าอะไรบางน ใช่ แสดงของเราชัดใช่ไหมแสดงของเราชัดขอแม่ใช่ เรของขีดทนี่กลับมาเลยอย่าไปยุ่ ง, มามางกับการอารมณ์นะครับที่กลับมาออม า, าต่อเราเห็นาทางนัทธธรรมได้เป็นหมาเดียวว่าทาไปาาแล้วก็ไหวแต่คอามาันทีทันใดแหละมันรู้สึกตัวก็ออกมาจะช่วัแต่ทานัทธธรรมได้ยังกันถึงได้ระจุบเดือกคนก็เปเพื่อนเพราะอยู่แม่ต่าคนต่างเป็นครูอาจาสซึ่งกันเรีนกันได้อารมณ์เออช่วยช่วย ท่นผู้นำ่านผู้น